อดีตชาติห า, หารผีเขมรเ ม, เมืองพนมเปนสัมผัสสยองเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงจากพี่สาวของฝ้ายย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2553 ฝ้ายพี่สาวและแม่ทั้งสามคนได้ไปเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาเป็นครั้งแรกพวกเธอเที่ยวเมืองหลวงพนมเปนกันอย่างสนุกสนานฝ้ายเห็นว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยมีตึกกรามบ้านช่องมีร้านอาหารอยู่มากมายและผู้คนก็นิสัยน่ารักอาหารของที่นั่นก็ ค, คล้ายๆกับที่เมืองไทยแต่จะมีใครรู้บ้างว่าเมืองหลวงที่นั่น เคยเกิดโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พลนขมรนด้วยกันมาแล้วเมื่อฝ่ายได้รู้ถึงประวัติศาสตร์อันโหดร้ายก็รู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากฝ่ายเดินทางมาถึงพนมเปญก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วจากนั้นฝ้ายและครอบครัวก็เดินทางไปเข้าพักโรงแรมในเมืองพนมเปญทันทีโรงแรมที่เข้าพักสวยทันสมัยมากพวกเธอ ก็พักอยู่ด้วยกันสามคนฝ่ายกับแม่นอนหลับอย่างสบายใจแต่มีพี่สาวคนเดียวที่นอนไม่หลับเธอรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนคอยจ้องมองอยู่ตลอดเวลาพี่สาวของฝ้ายเป็นคนค่อนข้างมีสัมผัสพิเศษเธอจะฝันเห็นอะไรแม่นมากจนน่ากลัวหลังจากที่เธอฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแล้วก็มักจะมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง รุ่งเช้าพี่สาวของฝ้ายเล่าว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเพราะรู้สึกเหมือนว่ามีคนคอยจ้องดูอยู่ตลอดจากบริเวณตู้เสือ้อผ้าแต่ฝ้ายกับแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรปลอบพี่สาวว่าอาจจะแปลกที่ก็เลยคิดมากไปเองพวกเธออยู่เที่ยวกันได้สี่วันก็กลับมาเมืองไทยกลับมาถึงประมาณสามทุ่มก็แยกย้ายเข้าบ้านของแต่ละคน พราบเพียกับการเดินทางมาฝ้ายพักอยู่บ้านเดียวกันกับแม่แต่พี่สาวอยู่บ้านอีกหลงังในหมู่บ้านเดียวกันเวลาประมาณตีสามกว่าๆจู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเมื่อฝ้ายรับโทรศัพท์ก็ได้ยินเสียงของพี่สาว เธอเล่าด้วยน้ำเสียงสั้นเครือเพราะตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อชั่วครู่นี้เองพี่สาวเล่าว่าพอมาถึงบ้านก็เข้านอนเลยพเพราะเพลียกับการเดินทางจนประมาณตีสองพี่สาวรู้สึกแสบตาเหมือนกับว่าไฟในห้องเปิดอยู่เธอง่วงมากจึงไม่อยากลืมตาขึ้นมาดูอะไรทั้งนั้นแต่ในใจตอนนั้นก็อยากรู้ว่า ใครมาเปิดไฟพี่สาวจึงต่อสู้กับความง่วงของตัวเองพยายามฝืนลืมตาเพื่อจะดูแต่เมื่อลืมตาขึ้นมาในห้องกลับมีแต่ความมืดมีเพียงแสงไฟจากนอกบ้านเล็ดลอดเข้ามาให้พอมองเห็นได้บ้างเท่านั้นปกติแสงไฟในห้องจะเป็นสีขาวสว่างจ้าซึ่งพี่สาวจะรู้ได้ทันทีว่าไฟเปิดอยู่แม้จะหลับตาก็ตาม แต่แสงสว่างจ้าในคืนนั้นกลับรู้สึกร้อนและแสบตาพี่สาวรู้สึกแปลกใจและมั่นใจว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ได้วความง่วงจึงหลับต่อพอหลับไปได้ประมาณสิบนาทีก็ได้ยินเสียงคล้ายฝีเท้าคนเดินมาจากทางประตูเข้ามาภายในห้องนอน เสียงเดินชัดเจนมากพี่สาวจึงคิดว่าอาจจะเป็นสามีกลับมาก็าได้เพราะโดยปกติสามีพี่สาวจะกลับบ้านไม่เป็นเวลาอยู่แล้วพอได้ยินดังนั้นก็พยายามลืมตาทั้งทั้งที่ตอนนั้นยังรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นพี่สาวก็เห็นผู้ชายลักษณะรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงทรงผมคล้ายทหารแต่หน้าเห็นไม่ค่อยชัด เขามายืนหยุดตรงปลายเตียงแล้วอยู่ๆก็กระโดดขึ้นคล่อมร่างของเธอซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เร็วมากทำให้แขนและขาของเธอไม่มีเรียวแรงแม้กระทั่งจะอ้าปากก็ยังทำไม่ได้เหมือนกับว่ามีอำนาจสะกดให้นอนนิ่งๆระหว่างที่คล่อมอยู่วิญญาณตนนี้ก็ตบที่หัวของพี่สาวอย่างแรง ตบไปตบมาเป็นสิบสิบครั้งและตบแรงขึ้นเรื่อยๆ เ, เหมือนจะเอาให้ตายตอนนั้นพี่สาวแทบทนไม่ไหวสักพักแขนขาของเธอก็กลับมามีเรี่ยวแรงอีกครั้งจึงไม่รอช้าพลักวิญญาณตนนั้นแบบสุดแรงเกิดแต่เมื่อเธอผลักไปแล้วมันกลับมีแต่ความว่างเปล่าพี่สาวทั้งกลัวทั้งตกใจทั้งโมโห และสับสนว่ามันคืออะไรกันแน่เจะว่าฝันก็ไม่ใช่เพราะรู้สึกเจ็บที่ศีรษะจริงๆตอนนั้นเธอยังไม่ลุกไปไหนยังคงนอนอยู่บนที่นอนแล้วก็พล่อยหลับไปแต่ยังไม่ถึง20สนาทีวิญญาณตนนั้นก็กลับมาอีกและครั้งนี้มันกลับมาร้ายยิ่งกว่าเดิมมันขึ้นคล่อมพี่สาวและจับหัวเวียงไปเวียงมาอยู่นานมาก พี่สาวรู้สึกว่าตัวล อ, อยขึ้นอยู่เหนือเตียงเธอทรมานมากเหมือนคนกำลังใกล้ตายและไม่รู้ว่าวิญญาณตนนี้โกรธแค้นอะไรนักหนาถึงมาทำแบบนี้แค่คิดเท่านั้นพี่สาวก็ได้ยินเสียงวิญญาณตนนี้พูดภาษาขเขมรแต่เธอฟังไม่รู้เรื่องรู้แค่ว่าเป็นภาษาที่คนขเขมรพูดกัน วิญญาณตนนี้น่าจะพูดทางจิตเพราะปากไม่ได้ขยับเลยแต่น้ำเสียงน่ากลัวมากเหมือนโกรธแค้นกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนในใจพี่สาวตอนนั้นใกล้จะไม่ไหวแล้วก็นึกถึงพระพุทธรูปและพยายามท่องคาถาเท่าที่จะจำได้แต่วิญญาณตนนี้ก็ไม่รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยกลับเวียงหัวเธอแรงขึ้นไปอีกพาร่างของเธอลอยขึ้น แลปล่อยให้ร่วงลงที่นอนมันเป็นอยู่อย่างนั้นสลับไปมานานกว่า20สินาทีได้แต่สาหรับพี่สาวแล้วมันเป็นอะไรที่ทรมานและนานเอามากๆจากที่พี่สาวกลัวมากในตอนแรกตอนนี้กลับกลายเป็นโมโหก็เลยทั้งด่าทั้งแช่งไม่ให้ไปผุดไปเกิดแต่เธอเพียงแค่นึกในใจเท่านั้น แล้ววิญ ญ, ญาณตนนั้นก็อันตรทานหายไปเมื่อเธอหลุดจากวิ ญ, ญญาณมาได้ก็รีบเปิดไฟและรวบรวมสติว่ามันคืออะไรรู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บศีรษะตอนนั้นพี่สาวแทบไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงซึ่งมันน่าเหลือเชื่อจริงๆหลังจากนั้นเธอก็รีบวิ่งลงไปหาแม่สามีที่นอนอยู่ชั้นล่าง บอกว่ามีวิญญาณเข้ามาทำร้ายแม่สามีจึงเอาพลามาคล้องคอให้คืนนั้นเธอแทบจะไม่ได้นอนเลยเมื่อสงบสติอารมณ์ลงได้ก็รีบโทรมาหาไฟาเล่าเรื่องสยดสยองที่ได้เจอมาสดๆดร้อนๆ้อนให้ฟังพอถึงตอนเช้าพี่สาวก็รีบไปทำบุญใส่บาทอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้กับวิญญาณขมนตนนั้น หลังจากนั้นสองวันพี่สาวก็ฝันว่าเห็นตัวเองอยู่ในยุคขเขมรแดงแต่งตัวเหมือนหมอและสะพายกระเป๋าใบใหญ่ที่ด้านข้างเธอกำลังเดินไปพร้อมๆกับชาวขเขมรลายร้อยคนและเห็นคนตายมากมายที่โดนระเบิดเห็นรถไฟเห็นทหารขเขมรแดงเห็นคนใกล้ตายกำลังขอความช่วยเหลือให้รักษาอยู่ๆ มือทั้งสองข้างของพี่สาวก็โดนไฟลวกแล้วทุกอย่างก็มืดไปพอตื่นเช้าพี่สาวนึกถึงความฝันของตัวเองนั่งมองดูมือตัวเองว่ามิหน้าละทำไมชาตินี้ตัวเองถึงมือเหี่ยวเหมือนคนอายุแปสบตั้งแต่เกิดไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเธอไปทาอะไรมาไฟได้บอกว่าพี่สาวเป็นคนสวยมาก อายุ40ปีแต่มือกลับดูเหี่ยวมากพี่สาวเกิด15เมษายน2518และช่วงที่ยุคขเขมรแดงเกิดสงครามก็เป็นช่วงต้นปี2518พอดีมันช่างเป็นเรื่องบังเอิญเสลือเกินเหตุการณ์นั้นมีคนตายจำนวนมากเท่าที่ฝ่ายรูน่าจะเกิน2ล้านคนขึ้นไป เพราะคนไม่กี่คนที่มีความคิดสุดตรงฆ่าทำลายล้างพี่น้องชาวเขมรด้วยกันเองฆ่าหมอนักวิชาการครูพระผู้ที่มีความรู้และรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายตรงข้ามซึ่งเขาถือว่าคนพวกนี้รู้มากเกินไปเอาไว้ไม่ได้เป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์สำหรับเขาจึงต้องกำจัดให้หมดคนกลุ่มนี้ จะโดนคุมขังที่คุกก่อนโดนฆ่าถูกทรมานด้วยวิธีต่างๆนานาไฟรู้สึกสงสารและเวทนามากเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าจะฆ่าคนบริสุทธิ์เป็นล้านๆได้มากขนาดนี้ไยเชื่อว่าแม้คนเราจะตายแล้วก็ต้องเกิดมาชดใช้กรรมกันอีกไม่รู้จักจบจักสิ้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นไฟเชื่อเรื่องของภพชาติ ว่าชาติที่แล้วและชาติหน้ามีจริงดังนั้นตอนนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ควรรีบสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่เบียดเบียนกันอย่ามัวจะผัดวันประกันพรุ่งเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าพรุ่งนี้จะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าให้รีบสร้างคุณงามความดีก่อนที่พรุ่งนี้จะไม่มีให้เราสร้าง สมภัส